กันที่สสิกขาบทพระบัญญัติมาตราหนึ่งมาตราหนึ่งเป็นสิกขาบทอันหนึ่งอันหนึ่งสิกขาบทนั้นทรงตั้งขึ้นด้วยเป็นพุทธานาที่ได้แก่อาธิพรหมจริยกาสิกขาก็มีทรงตั้งขึ้นด้วยเป็นอภิสมาจารน ร, รมเิยก า, าากาสิกขาก็มี อย่างก่อนนั้นมาในพระปฏิโมกมีพระพุท ธ, ธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนอย่างหลังนั้นมานอกจากพระปฏิโมกเว้นไว้แต่เสขียวัดซึ่งมาในพระปฏิโมกกระทู้นี้เป็นสำคัญควรใส่ใจในหนังสือนี้จักตั้งกระทู้นี้เป็นหลักและจากพรนนาตความตามกระทู้นี้จานวนแห่งสิขาบท มาในพระปาติโมมีพอประมาณจำนวนแห่งสิขาบทมานอกพระปาติโมมีมากกว่ามากจนพ้นความใส่ใจของผู้ศึกษาเรียกว่าพ้นคณนานาก็ได้นอกจากนี้ยังมีข้อปรับอาบัติอันพระคันธารจนาจาร์ตั้งเพิ่มเติมเข้าไว้อีกเรียกว่าบาลีมุตตะทุกกฏสิขาบทเหล่านี้ ยอมปรากฏเห็นเป็นมากจนฟั่นเฟือเหลือที่จะประพฤติให้ครบครันได้ทั้งกาและเทศะก็เข้ามาเป็นเหตุขัดขวางด้วยภิกษุททั้งหลายจึงได้หาทางหลีกเลี่ยงบ้างเลิกเสียกล่าวคือทนเป็นอาบัตเอาบ้างเมื่อเลิกอย่างหนึ่งแล้วก็ชวนให้เลิกอย่างอื่นต่อไปอีกแม้ยังไม่ถึงเวลาพระศัสดา ทรงคำนึงเห็นเหตุนี้มาแล้วเมื่อจะนิพพานได้ประทานพระพุทธานุญาตไว้ว่าถ้าสงปรารถนาก็จงถอนสิขาบทเล็กน้อยได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าถอนตรงๆเพราะเกรงจะไม่สม่ำเสมอกันสาพระธรรมสังคาหากาจาร์ทั้งหลายห้ามเสียแม่ครั้งทำประถมสังคยนาด้วยแม้อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ถอนข้อที่ตนเห็นว่าเล็กน้อยเสียแต่ได้ถอนโดยทางอ้อมคือไม่ตั้งใจรักษาทนต้องอาบัติเอาขพเจ้าตรองหาอุบายจะเรียงพระวินัยแก่ความฟั่นเฟือของสิขาบททั้งหลายเสียเพื่อบำรุงความศึกษาและความปฏิบัติของภิกษุทั้งหลายให้ดีขึ้นมาคำหนึงถึงท่านจัดสิขาในฝ่ายศีลเป็นสองคือ อาธิพรมจริยการสิกขาและอภิสมาจาริากาสิกขาแล้วนามาเทียบกับสิกขาบทมาในพระปาติโมกและนอกจากนั้นได้พบว่าลงรอยกันจึงได้ลงสันนิษฐานว่าจะแต่งพรนานาตามกระถูข้างต้นจัดเอาสิกขาบทมาในพระปาติโมกเป็นพุทธานาที่จะต้องรักษาไว้เป็นหลัก จดเอาสิขาบทนอกจากนั้นเป็นอภิสมาจาร์คือคำนดบธรรมเนียมของภิกษุที่จะพึงรักษาตามสามารถแม้จะขาดตกบกพร่องบ้างก็ไม่ถึงกับเสียความเคร่งหรือเป็นอลรชีดอกแต่ภิกษุที่สมมติว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วยังต้องอาบัตเหมือนกันจะขอสาถกความนั้นด้วยบาลีในพระสูตรหนึ่ง ซึ่งแปลเอาแต่ใจความตามที่ต้องการดังนี้ภิกษุทั้งหลายสิขาบท150ทั้วนี้ย่อมมาสู่อุทเทศคือความสวดในท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งเดือนที่กุลบด ท, ทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่ภิกษุทั้งหลายสิขานี้มีสที่สิขาบททั้งปวงนั้นย่อมรวมกันอยู่ สิกขาสามนั้นคืออะไรบ้างสิกขาสามนั้นคืออธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายนี้แลสิกขาสามที่สิกขาบททั้งปวงนั้นรวมกันอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาคือเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีบ้างก็มีเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ทั้งในศีลทั้งในสมาธิแต่เป็นผู้ทำพอประมาณใ <worthwhile> นปัญญาคือเป็นอนาคามีบ้างก็มี po <นะ S 2> เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ทั้งในศีลทั้งในสมาธิ ทั้งในปัญญาคือเป็นอรหันต์บ้างก็มีเธอย่อมล่วงสิขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัตบ้างเหตุชนจึงเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเหตุว่าไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพคือไม่อาจบรรลุโล ก, กุตตรธรรมเพราะเหตุล่วงสิขาบทนี้ก็แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนเป็นผู้มีศีลมั่นคงในสิขาบทเหล่านั้นสมาธานศึกษาอยู่ในสิขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำได้ดีเพียงเอกเทศย่อมทำได้ดีเพียงเอกเทศผู้ทำให้บริบูรณ์ได้ย่อมทำให้บริบูรณ์ อย่างนี้แลพิกษุทั้งหลายเราจึงกล่าวว่าสิขาบททั้งหลายหาเป็นหมันไม่พระสูตรนี้มาในวรกที่สแห่งทุติยปั น, นาสกะติกนิบาทอังคุตรานิกายขึ้นที่หน้าส0 1หนึ่งแห่งฉบับพิมพ์ของหลวงผู้ต้องการจงพลิกดูเถิดตามพระสูตรนี้ ยังจัดสิขาบทที่มาในพระปฏิโมกเป็นสําคัญที่ว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจารย์บ้างก็มีเป็นสิขาบทเล็กน้อยบ้างก็มีในที่นี้จัดเอาสิขาบทที่มาในพระปฏิโมกทั้งมวลเป็นสิขาบทสําคัญก็กว้างกว่าในพระสูตรอยู่แล้วสิขาบทมาในพระปฏิโมกบาลีพระสูตรซึ่งแปลมาไว้ในที่นี้แสดงว่า สีขาบทมาในพระปฏิโมกมี150ท่้วนนับให้ครบจำนวนได้ดังต่อไปนี้ปาราชิก4สังคาทิเศสนิตสกิยปาจิตตอสามสสุทิกาปาจิตตอเก้ิปาติเทสนิยะ4อธิกรณะสมถะ7รวมเป็น150ท่้วน แต่ในพระปฏิโมกข์ที่สวดกันอยู่และในคำพีวิพังแห่งสิกขาบทแสดงว่ามี227สิกขาบทคือเติมอนิยตสองเสกียวัจด 75. ตามในนี้สนิฐานเห็นว่าชรอยเดิมจะมีเพียง150ท้วนตามที่กล่าวไว้ในพระสูตรก่อนแต่ทำสังคยนาครั้งใดครั้งหนึ่งที่แจกอัดแห่งสิกขาบท ซึ่งเรียกว่าบทภาชนะและสงเคราะห์เข้าเป็นส่วนอันหนึ่งแห่งกัมพีวิพังนั้นหรือในครั้งนั้นเองจะได้เติมอนิยตสองและเสคียวัต75เข้าด้วยข้อความนี้ก็น่าจะเห็นจริงอย่างนั้นอนิยตสิขาบทไม่ได้ปรับอาบัตลงเฉพาะเหมือนสิขาบทอื่นเป็นสิขาบทที่แฝงอยู่ดังกาฝาก คงจะเกิดขึ้นเพราะเรื่องภิกษตุต้องหาว่าอยู่ในที่รับกับหญิงสองต่อสองแต่สนิฐานลงเป็นหนึ่งไม่ได้ว่านั่งหรือยืนทำอะไรกันบ้างหรือไม่ส่วนเสขียวัดนนั้นก็มีอยู่ในที่อื่นแล้วคือในวัตขันธกะคัมพีจุลวั์และไม่เป็นข้อใหญ่โตอะไรเป็นแต่เพียงอภิสมาจารย์ ทั้งไม่ได้ปรับอาบัติไว้เฉพาะด้วยในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวสีขาบทที่มาในพระปติโมกต์ตามในที่มาในพระวินัยสีขาบทที่มาในพระปฏิโมกตนั้นปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ละเมิดไว้ครบทุกชื่อโดยโตรงสี่คือปาราชิกสังคาธิเศปปาจิตติยะอันต่างโดยนิสกิยะและสุทิกะ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 จะปรับอาบัตปาราชิกไม่ได้อยู่เองแต่จะว่าไม่มีโทษก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านจึงปรับอาบัตหย่อนลงมาเหมือนกฎหมายสำหรับบ้านเมืองที่วางโทษแก่ผู้ทำผิดไว้อย่างแรงถ้าทำผิดไม่ถึงที่ก็ลงโทษหย่อนลงมาพึงเห็นในโทษฆ่าคนนั้นเถิดอาบัตที่ลดลงจากปาราชิกและสังฆลิเศสพระทาผิดไม่ถึงที่นั้น ทุลย์ใจบ้างทุกกฎบ้างอาบัติที่ลดจากปาจิตตีเว้นโอมาสวาสและที่ลดจากปาติเทสนิยะมีแต่ทุกกฏอย่างเดียวอาบัติที่ลดจากโอมสาสวาสิกขาบทมีทุกภาษิต ด, ด้วยในเสขียวัตรข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีคำว่าพึงทําความศึกษาอย่างนั้นอย่างนั้น อธิบายตามวิพังว่าถ้าไม่เอื้อเฟื้อต้องทุกกดอาบัตเช่นนี้เรียกเอาชื่อวิพังเข้าประกอบว่าวิพังคะทุลใจวิพังคะทุกกฏเพื่อจะให้แปลกจากอาบัตในที่อื่นส่วนทุพพาสิทธนั้นเรียกลอยๆอพระมาในวิพังแห่งเดียวส่วนสิขาบทเดิมเป็นต้นเขานั้นเรียกว่ามาติกา ในที่นี้กล่าวความแห่งสิขาบทหนึ่งแล้วจะแจกอาบัตในวิพังนั้นด้วยในที่อันควรจะกล่าวข้าพเจ้าปรารถนาและแสดงสิขาบททั้งหลายให้เป็นหมดหมวดตามความหมายของสิขาบทเพื่อผู้ศึกษาจะได้อย่างเห็นโทษหนักเบาถนัดแต่การที่ไม่กล่าวตามลำดับในพระปาติโมกนั้นจะให้จาและค้นคว้ายากเหมือนกันเหตุนั้น จะกล่าวตามลำดับในพระปาติโมก่อนแล้วจักจัดเข้าหมวดต่อไปสี่ขาบทมาในพระปาติโมกนั้นจัดเข้าเป็นพวกตามชนิดแห่งอาบัตเช่นปาราชิกพวกหนึ่งสังคาทิเศษพวกหนึ่งเป็นต้นเรียกว่าอุเทศอันหนึ่งอันหนึ่งเช่นปาราชิกุเทศสังคาทิเศ ส, สุดเทศเป็นต้นแตเสียวัฒนั้น เรียกเสขียดเทศอุเทศเหล่านี้มีนิทานเทศนำหน้ากล่าววิธีอันภิกษุผู้ฟังปาติโมก ค, ควรประพฤติอย่างไรรวมเป็นก้าอุเทศด้วยกันผู้ไม่เข้าใจมคตภาษาปรารถนาจะรู้ความแห่งอุเทศเหล่านี้จงดูในพระปฏิโมกแปลเถิดในที่นี้ข้าพเจ้าจากแสดงเท่าสิกขาบท และจักแปลความแห่งสิขาบททั้งหลายตามสำนวนบาลีเดิมเพื่อผู้ศึกษาจะได้รู้จักสัิฐานถ้อยคำและโวหารและจักอธิบายความในที่ควรรู้ไว้ด้วย